ทำมนุสารีในขณะแห่งโซดาปฏิมักเป็นทิฏฐิปั ต, ตะในหกฐานะเป็นปัญญาวิมุตในตอนท้ายตอนท้ายอ่ะนะตอนขณะอรหัตผลก็เป็นปัญญาวิมุตส่วนเกี่ยวกับเรื่องข้ออุปมานี้ก็คงเป็นอีกสักครู่หนึ่งนะตอนนี้ก็พักซักก่อนอันใดา ย, ยานหนึ่งเริ่มต้นพะยะตุปทานายาณนการที่จะนำมากล่าวก็ควร แต่เมื่อนำมาในฐานะนี้ยานทั้งหมดตั้งแต่พระยะตูปฐานะยานจนถึงผลละยา น, ยานก็ย่อมเป็นอันปรากฏชัดคือระดับธรรมะระดับนี้เนี่ยนะยาตะปริญญาตีรณปริญญาเราไม่พูดถึงละพูดแต่ปหานะปริญญาพูดเรื่องละอย่างเดียวพูดเรื่องจากอย่างเดียวจากวัตตะสู่พระนิพพานานี่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะเป็นการพูดถึงอนุปัสนาพูดถึงวุฒานคามินีวิปัสนา พูดถึงผู้ที่ปฏิบัติที่เตรียมพร้อมที่จะตรัสรู้อริ ย, ยสัจใส่แว่นก่อนอุปมาแรกก่อนนะว่าอุปมาว่าด้วยข้างเขามีเรื่องเล่าว่าค้งางคาาตัวหนึ่งคิดว่าเราจากได้ดอกไม้หรือผลไม้ที่ต้นไม้นี้ดังนี้แล้วจึงเกาะอยู่ที่ต้นมะสางที่มีห้ากิ่งตรวจสอบกิ่งหนึ่งไป ที่กิ่งนั้นก็ไม่พบดอกหรือผลอะไรอะไรที่ควรถือเอาตรวจสอบกิ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ไม่พบเหมือนอย่างที่ตรวจสอบกิ่งที่หนึ่งข้างข่าวตัวนั้นก็คิดว่าต้นไม้นี้ไม่มีผลหรออะไรรที่ควรถือเอาได้ก็ไม่มีอยู่ที่ต้นไม้นี้ดังนี้แล้วก็ทอดอะไรในต้นไม้นั้นเสียไต่ไปตามกิ่งตรงๆโผล่ศีรษะขึ้นในระหว่างที่คาคบแงนดูเบื้องบนโผล่ขึ้นไปในอากาศ แล้วก็แอบเกาะอยู่ที่ไม้ผลต้นอื่นไปหากินต้นอื่นก็ได้อย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็นึกถึงบาปที่ตัวเองเคยทําเองเคยมีครั้งหนึ่งนะไปไปไปจริงไอ้ต้นไม้ที่มันขึ้นต้นที่เรียกว่าต้นงิ้วอ่ะนะต้นไม้ที่มันขึ้นต้นงิ้วอนะ่ะทีนี้เวลาเราไปเนี่ยนะต้นงิ้วมันเอ่อมันต้นไม้เอ่อ ตัวอะไรนะที่มันมีปีกคล้ายๆค้างเขา่าแต่ไม่ใช่ข้างเข่คล้ายๆกระรอกคล้ายๆกระแตนี่แหละแต่มันมีปีก น, นกอะรไรนะบางอ่ะใช่บางนี่เวลาเราจะไปยิงมันใชมันก็จะไต่จากโต้นกิ่งหนึ่งไปกิง่งนึงมันจะไปกินที่ดอกดอกนิ้วอ่ะนะดอกนิ้วมันจะมีรสหวานมันก็จะไปดูดรสน้ําหวานจากจากต้นนิ้วหรือมันก็กินลูกนิ้ว ถ้าหาว่าต้นนิ้วต้นไหนไม่มีต้นสมมติว่าต้นนิ้วมีห้าห้ากิ่งเลยมันก็ไต่ไปตามกิ่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าถ้าไม่พบในในต้นนิ้วต้นนั้นะมันก็ไปที่นิ้วต้นอื่นะเราก็ไปคอยดักเป็นพยาเพชฌฆาดคอยคืนหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็ดีใจยแย่ละอันนี้เล่าให้ฟังว่าเอออย่างนี้ก็มีนะเคยทําเหมือนกันการังนึกในใจเนาะพูดถึงเรื่องอะไรเราก็ได้บาปหมดเลยนะเนี่ย นึกถึงบาปเดี๋ยวต่อไปนะ่าจะทําบุญไว้เยอะๆพูดถึงอะไรเราก็นึกถึงบุญได้นี่มาดูข้ออุปมาเปรียบเทียบเหล่านั้นบอกว่าบัณฑิตพึงทราบอ่าบัณฑิตพึงเห็นพโยคาวาจรเนี่ยเป็นดุดข้างข่าวเห็นอุปาทานขันห้าเหมือนต้นมะสร้างที่มีห้ากิ่งพึงเห็นความยึดมั่นในขันห้าแห่งพโยคีเป็นดุดการแอบเกาะที่ต้นมะสร้างนั้นแห่งข้างข่าว เพิงเห็นการที่พระโยคีพิจารณารูปประคันไม่พบอะไรอะไรที่ควรถือเอาในรูปประคันนั้นแล้วจึงพิจารณาขันที่เหลือดดการที่คั้งข้านั้นอะตรวจสอบกิ่งแต่และกิ่งก็ไม่พบอะไรอะไรที่ควรถือเอาแล้วก็ตรวจสอบกิ่งที่เหลือพึงเห็นยานสามข้างยานสามเนี่ยนะคือมุนจิตตุกรรมมัตายานปฏิสังขารยานและสังขารุเปกขาญาณของพระโยคีผู้เบื่อหน่าย ด้วยอำนาจการเห็นลักษณะเมียนิจจลักษณะเป็นต้นในขันทั้งห้าเป็นดุจการที่ค้างข้านั้นคิดว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีผลหนอดังนี้แล้วก็สละความอะไรในต้นไม้นั้นเสียเพึ่งเห็นอนุโลมยานของพระโยคียเป็นดุจการไต่ขึ้นไปเบื้องบนตามกิ่งตรงแห่งค้างขาวนั้นเห็นโคตรภูยานเหมือนการโผล่ศีรษะแง้นดูเบื้องบน เพิ่งเห็นมักายานเป็นดุจการโผขึ้นไปในอากาศเพิ่งเห็นผลยานดุจการแอบเกาะที่ต้นไม้ที่มีผลต้นอื่นก็ไปหากินต้นอื่นก็ได้ก็เห็นนะว่าขันห่าเปรียบเหมือนกิ่งไม้ห่ากิ่งที่ไม่มีดอกมีผลดอกผลในที่นี้เป็นชื่อของดอกคือความสวยเนี่ยนะผลก็คือความยั่งยืนก็ไม่มีความสุขความงามความยั่งยืนอยู่ในกิ่งที่ ท, ที่เป็นกิ่งผู้ๆต้นเน่าๆเนี่ยนะชันใดขันห้าก็เป็นลักษณะนั้นเมื่อวิจัยไข้ครวญสิ่งที่จะพึงยึดว่าเป็นของเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตราอยู่ในขันห้าไม่มีเลยผู้ที่วิจัยขันห้าเลือกเฟ้นขันห้าพิจารณาโดยรอบคอบจําต้องออกจากขันห้าวิจัยอย่างไรไปก็จําต้องจากอย่างเดียวเพราะว่าผู้ที่จมอยู่ในขันห้านี้เป็นเป็นอะไรเป็นทุกข์เนี่ยนะ ทุกนายก็ชาติที่ทุกเป็นต้นนี่มาดูงูเห่าบ้างนะ <c oughs> ที่ได้ยกตัวอย่างไว้แล้วในปฏิสังขาณนยาณทีเดียวไอที่อะไรนะล้วงมือเข้าไปในสุ่มจับนึกว่าปลาจับถูกงูนึกว่าปลาเป็นต้นนั่นแหละแต่ที่นี้มีข้อแตกต่างอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยว่าโคตรภูยานเนี่ยเป็นดุดการสลัดงูออกไปคือพอเคลี้ยงพับสลัดหลุดมือเนี่ยเป็นเหมือนกับ โคตรภูยานพองสลัดงูพ้นมือปั๊บวิ่งขึ้นไปอยู่บนบกเลยมัคคานเนี่ดุดการหยุดยืนแห่งบุุษผู้ปล่อยงูได้แล้วมองดูทางที่มาอยู่พลายานก็เหมือนการไปหยุดยืนอยู่นะสถานที่ที่ปลอดภัยพ้นแล้วจากการยึดถืองูส่วนอุปมารเรื่องเรือนมีเรื่องเล่า ว, ว่าเมื่อเจ้าของเรือนบริโภคอาหารเย็นแล้วย่างขึ้นที่นอนแล้วก็หลับไป นอนหลับฝันดีเลยนะไฟก็ไม่เรือนพอตื่นขึ้นมาเห็นไฟไหม้แล้วก็กลัวคิดว่าถ้าหากเราพึ่งออกไปได้ไม่ถูกไฟไหม้ก็เป็นการดีหนอก็มองหาทางอยู่เห็นทางแล้วก็ออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยโดยเร็วแล้วก็ยืนหยุดยืนอยู่ในเรื่องอุปมาณนั้นการถือเอาว่าเราว่าของเราในขันท่าแห่งปุตุชนคนพาน เป็นดุจการบริโภคแล้วย่างขึ้นสู่ที่นอนหลับไปแห่งเจ้าของเรือนสบายนี่นะกินอิน่นนอนหลับฝันดีสบายทุกอย่างหมดเลยก็ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเนยพอทานอาหารเย็นเสร็จนะั้นรูปท้องสน่อยนะเข้านอนและโอยมีความสุขมากอาหารก็อร่อยสบายส่วนพยตูปทานญาณก็เหมือนยามที่ปฏิบัติสมัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิปทาแล้วเห็นไตรลักษ เป็นเหมือนเวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นไฟไหม้ก็กลัวเนี่ยนะไฟลุกท่วมหมดเลยไฟคือะายเผาชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโธมนัอุปายาตเผาทุกอย่างมุญจิตุกรรมมยตายานเป็นดุดการมองหาทางออกเริ่มหาทางออกอทางออกประตูกออกอยู่ตรงไหนอนุโลมยานก็ดุดมองเห็นทางเห็นทางและทางอนุโลมยานทางไหน ทางคืออนิจจังทุกขังหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งโคตรภูญานเป็นดุจการออกไปมรคยานเป็นดุจ ก, ก, การไปโดยเร็วพลรยานเป็นดุจการหยุดยืนอยู่ณนะที่ปลอดภัย น, นะมรคยานนี่ก็เหมือนเรารีบออกเลยนะพลรยานบอกว่าโล่งอกไปทีเมื่อไหรนะ่น้อเราจะโล่งแบบนี้บ้างนะเมื่อไหร่จะเริ่มอกอุ้ยดีแล้วที่อะไรนะที่เหมือนกับว่าคลาย ก้อนก้อนเหล็กแดงออกจากอกไปเนี่ยนะโอ๊้ดีใจจริงๆเหมงอนกนนี่ก็เหมือนกันเมื่อไรนะจะออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้ตอนที่ตอนที่ไม่เห็นว่าบ้านถูกไฟไหม้เนี่ยโอ้ดีนั่นก็สวยอันนี้ก็งามอันนี้ก็มีค่าแต่พอเห็นว่าถูกไฟไหม้เอาเข้าจริงๆเลยนะอะไรเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เหมือนกนรรษัตริย์ที่อยู่บนพระราชบาลังเนี่ยนะตอนที่ตอนที่ไม่ถูกรัฐประหารไม่ถูกเขาอะไรนะ มาปฏิวัติประหารนี่ก็โอ้ยนั่นก็ของเราอ้นี้ก็ของเราอะไรก็ของเราไปหมดพ อ, อมาถูกเขาจับเอาไปตัดคออย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะต้อทําไงดีชีวิตกับทรัพย์สมบัติอันไห น, นมีค่ากว่ากันชีวิตมีค่ามากกว่าทรัพย์ทั้งหลายใช่ไหมถ้าเอาไหมขอเป็นมีชีวิตแบบยาจกผู้ขอทานกับเป็นจกักรพรรดิที่กําลังถูกประหารอันไห น, นดีกว่ากันเป็นเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่กําลังถูกประหาร กับยาจกผู้มีชีวิตเรร่อนอยู่แต่ก็มีอาหารพออิ่มท้องเนี่ยนะอ่ก็ยาจกดีกว่าใช่ั้ยนี่ก็เหมือนกันถ้าออกจากวัตตะได้เนี่ยเป็นความดีเนี่ยนะถึงจะอยู่ในวัตตะเนี่ยจะยิ่งใหญ่ปานใดก็ยังก็คือนักโทษประหารมาดูอุปมาเรื่องโคบ้างนะมีเรื่องเล่าว่าเมื่อชาวนาคนหนึ่งหลับไปในเวลากลางคืนฝูงโคก็แหกอคอกหนีไป ในเวลาใกล้รุ่งเชาวนาะผู้นั้นไปดูที่คอกนั้นทราบว่าโคเหล่านั้นเนี่ยหนีไปก็ตามรอยเท้าไปก็ไปพบฝูงโคของหลวงเข้าโคสําคัญโคเหล่านั้นว่าโคของเราจึงต้อนกลับมาในเวลาสว่างก็รู้ว่าโคเหล่านี้ไม่ใช่โคของเราแต่เป็นโคของหลวงดังนี้ก็คิดว่าเราเนี่ยจกักหนีไปนะหนีไปเสียตราบเท่าที่เจ้าพนักงาน จะจับตัวเราไปด้วยคิดว่าผู้นี้เป็นโจรแล้วทำให้ถึงความพินาษไม่ได้ไหมคถ้าหนีเสร็จก็ไม่ต้องถูกฆ่าใช่ไหมกลัวแล้วก็ทิ้งทิ้งฝูงโคไปเสียหนีไปโดยเร็วแล้วก็หยุดยืนอยู่หน้าสถานที่ปลอดภัยในอุปมานั้นการยึดมั่นขันห้าทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราแห่งปุตุชนคน่านเป็นดุจการถือเอาโคหลวงด้วยสาคัญว่าเป็นโคของเราเนี่ยนะ ความรู้จักขันทั้งหลายด้วยสา ม, มารถแห่งไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแห่งพระโยคียเป็นดุดความรู้ว่าเป็นโคของหลวงในเวลาสว่างพอตาสว่างขึ้นมาไม่ใช่โครเราแล้วนะนี่โคหลวงพะยะตุปทานายาณเป็นดุดเวลาที่กลัวกลัวโทษนะมุนจิตตุกรรมมัตายานเป็นดุดความต้องการจะปล่อยโคไปโครตรภูยานก็เป็นดุดการปล่อยไปมรคยานเป็นดุดการหนีไปได้ พลยาเนี่ยเป็นดุดการหนีไปยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยพ้นจากความเป็นนักโทษแล้วไม่งั้นเราก็เป็นนักโทษของอะไรของวัตตะเนี่ยนะเป็นนักโทษของวัตตะเนี่ยนะก็ถือขันห้าที่เป็นของหลวงพระไราสาธารณะต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจับไว้นี่ก็ถูกประหารแน่ส่วนอุปมาเรื่องยักษียักษียักษีก็คือ ชายผู้หนึ่งที่มีเมียเป็นยักษ์นะนะมีเรื่องเล่าว่าบุรุษคนหนึ่งสําเร็จการอยู่ร่วมกับนางยักษ์ซีนีในตอนกลางคืนนางยักษ์ซีนีนั้นรู้ว่าคนนี้หลับแล้วจึงไปป่าช้าผีดิบกัดกินเนื้อมนุษย์อยู่บุรุษคนนั้นตื่นขึ้นก็ชงนในใจว่าหญิงนี่ไปไหนจึงติดตามไปเห็นนางยักษ์ซีนีเนี่ยกำลังกัดกินเนื้อมนุษย์อยู่ก็ทราบถึงความที่มันเป็นอมนุษย์ ก็คิดว่าเราจะหนีไปจนกระทั่งมันจะกัดกินเราไม่ได้ดังนี้กลัวแล้วก็หนีไปโดยเร็วได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยในอุปมาณนั้นการยึดถือเอาขันห้าทั้งหลายว่าเราว่าของเราเป็นดุจการอยู่ร่วมกับนางยักษินีก็เป็นจริงนะก็ลองดูร่างกายของเรานะถ้าสมมติถ้าผิวหนังไม่มีเลยจะเป็นยังไงทาใจได้ไหมทำใจไม่ได้แล้วนะ ถ้าหากว่าผู้ใดพึงเห็นภายในเนี่ยนะถ้าบอกว่าเห็นภายในทั้งหมดเหมือนเห็นภายนอกเนี่ยนะใส่ทาใจไม่ได้เลยนะกลัวยิ่งกว่ากลัวยักษ์กลัวผีอีกเหมือนนสมมุติถ้าหากว่าลําไส้มันออกมาข้างนอกไปต้องถือไม้อันหนึ่งนะไว้ไล่ไว้กันกันอะไรนะกันแก้แมลงวันกันนักสุนัขมากัดกินอย่างเงี้ยแลขันท่าภายในเนี่ยนะตัวทุกตัวโรคหละความรู้ถึงความที่ขันทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะเห็นไตรลักษ เป็นดุดความรู้ว่านางนี่เป็นยักษินีเพราะเห็นมันกำลังกัดกินเนื้อมนุษย์อยู่ที่ป่าชา้าของเรานะถูกกัดกินอยู่ตลอดเวลาใชนะ่กินจนแก่มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะถูกกัดกินมาเรื่อยๆๆๆพยาตูปทานยาณเป็นดุดเวลาที่กลัวมุญจิตตุกรรมมยตายานเป็นดุดความใคร่จะหนีไปโคตรภูยานเป็นดุดก า, ดดการละสุสารห น, นีจากป่าช้าไป มขยานเปรียบเหมือนการไปโดยเร็วพลยานเหมือนการหยุดหยุดยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะพ้นไม่ถูกยักกินแล้วเนี่ยนะส่วนอุปมาเรื่องทารกเรื่องเด็กนะมีเรื่องเล่าว่าหญิงผู้ติดข้องอยู่ในบุตรคนหนึ่งหญิงนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนปราศาสชั้นบนนั่นเทียวได้ยินเสียงร้องของทารกในระหว่างถนนก็คิดว่าใครรังใครรังแก ล, ลูกเราหรือหนอก็นึกว่าลูกเราเนี่ยไปร้องไห้อยู่ที่ถนนใช่ไหม ดังนี้แล้วก็ไปโดยเร็วคว้าเอาบุตรของคนอื่นด้วยสําคัญว่าเป็นบุตรของตนยิงนั้นพอทราบว่านี่บุตรคนอื่นดังนี้แล้วก็กลัวเพราะสมัยก่อนก็ถือว่าลักเด็กนะแล้วว่าเจอคดีโจรลักเด็กเข้าก็เลยกลัวมองไปข้างโน้นข้างนี้คิดว่าใครใคอย่าเพิ่งกล่าวหาว่าเราเนี่ยนี่นางโจรลักเด็กได้เลยอย่างนี้แล้วก็วางทารกณนะที่นั้นนั่นเองแล้วก็รีบขึ้นปราศาทนั่งไปโดยเร็วนะรีบขึ้นบ้านทันทีเลย ในอุปมาเหล่านั้นการยึดถือเอาขันห่าว่าเป็นเราว่าเป็นของเราดุดการคว้าเอาบุตรของคนอื่นด้วยความสำคัญว่าเป็นบุตรของตนความรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยอำนาจไตรลักษณ์เป็นดุดความรู้ว่านี่เป็นบุตรของคนอื่นพระยตูปฐานายานดุดความกลัวมุญจิตตุกรรมมยตายานดุดการมองไปข้างโน้นข้างนี้อนุโลมยานเป็นดุดการวางเด็กลงณนะที่นั้นนั่นแหละโคตรภูญาน เป็นดุดเวลาที่วางเด็กลงไปแล้วยังยืนอยู่ที่ระหว่างถนนมัคคยานเป็นดุดการย่างขึ้นปราศาสตร์พลยานเป็นดุดการย่างขึ้นไปนั่งย่างขึ้นแล้วก็ไปนั่งนะนั่งอยู่สบายบนบ้านนั่นแหละ <c oughs> ก็จากอุปมาทั้งหอุปมาเนี่ยเรามาคิดดูนะแต่ละอย่างเนี่ยคอพงพอมองเห็นภาพชัดเจนว่า พาและปุตตชนทั้งหลายคนโง่คนเขลาคนบอดผู้ที่นานแน่นไปด้วยกรรมวิบากกิเลศเนี่ยนะมีแต่ความยึดมีแต่ความถือยึดถือในขันเหมือนข้างขาวสแสวงหาดอกผลของต้นมาสางเหมือนลงไปจับปลาเอไปลงไปจับงูเหา่าสำคัญว่าเป็นปลาเหมือนกันนึกว่านอนสบายกินอิ่มนอนหลับอยู่ในเรือนที่ถูกไฟไหม เหมือนกับว่าไปต้อนเอาโคหลวงเนี่ยนะถ้าโคชาวบ้านคนอื่นยังมากก็ฟองรองไม่โคหลวงก็ประหารอย่างเดียวก็เหมือนกับได้เมียเป็นยักษ์เนี่ยนะเหมือนกับว่าไปเก็บเอาลูกคนอื่นนึกว่าลูกของตัวถูกฟองเสียเสียคนเลยส่วนหกอุปมาเหล่านี้คือความหิวความกระหายความเย็นความร้อนความมืดและยาพิษท่านกล่าวเพื่อแสดงภาวะที่น้อมไปโอนไปเงื่อมไปเฉพาะหน้า มุ่งสู่โลกุตระธรรมแห่งพระโยคาวจรผู้ตั้งอยู่ในวุฒานคามินีวิปัสนาหอุปมาแรกให้เห็นว่าจำเป็นมากต้องจากอยู่ไม่ได้แล้วจากอย่างเดียวนะหอุปมาแรกนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะหอุปมามีอะไรบ้างที่ว่าเราจะต้องจากฉันนั้นนะอยู่ด้วยไม่ได้แล้วจำเป็นต้องไปอยู่ไม่ได้จริงๆรหนึ่งครั้งข่าวสาคัญว่าต้นไม้มีดอกมีผลพอจะกินได้มันไม่มีจริงมันก็ต้องไป สําคัญว่างูเห่าว่าเป็นปลาเนี่ยถ้าจับเอาไว้ถูกกัดตายแน่สเหมือนกับว่าไปอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้อันนี้ถ้าไฟไหม้ยิงมันจำเป็นจะต้องจากเลยนะถึงจะหวงแหนขนาดไหนเรือนก็ถูกไฟไหม้เหมือนกายอันนี้เนี่ยนะเราจะรักหวงแหนธนุธนอมขนาดไหนถ้าชราและมรณะเผาเนี่ยนะเอาไหมสมมติถ้าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งจนสมควรแก่การตาย ใครชุบให้มาฟื้นอยู่ในสังขารอันเดิมอีกสนใจไหมเช่นไปประสบอุบัติเหตุเละหมดเลยเนี่ยนะเขาชุบมาจนฟืน้นขึ้นมาวิ่งต่อไปได้เนี่ยนะไม่เอาเลยนะขอขอไปสงบสงบดีกว่าเงีเหมือนโคไปต้อนเอาโคคอนอื่นนึกว่าโคของตนนโคหลวงเหมือนได้ภรยาเป็นยักษ์เนี่ยนะเหมือนได้สามีเป็นยักษ์เนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะ ไรู้จะถูกเคียวกินวันไหนก็เหมือนกันเหมือนกับทารกทารกก็คือไปเอาลูกชาวบ้า น, น, นยิ่งลูกแถวๆไหนที่เขาถือคดีลักเด็กด้วยนะไปอุ้มมาผิดลูกค น, นก็แย่ละทีนี้ต่อไปข้ออุปมาว่าจำเป็นมากที่จะต้องโอนเงื้อมเอ็นไปหาโล ก, กุตระธรรมอีก6กอุปมาใช่ไหมอะไรบ้างหิวกระหายเย็นร้อนมืดและยาพิษ มาดูข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องความหิวก่อนว่าเปรียบเหมือนว่าบุรุษถูกความหิวครอบงำหิวจัดปราถนาโภชนะที่มีรสอร่อยชั้นใดใครที่เคยรักษาอุโบสถวันแรกๆเป็นอย่างนั้นเนยนะกลางคืนเนี่ยหิวฝันกลางคืนฝันยังกินเลยนะฝันหิวฝันมากินอาหารนะนะสมัยบวชเล็กๆเหมือนกันนะกลางคืนเนี่ยหิวฝันว่าฉันจะข้าวหิวมาก พโยคาวจรนี้ถูกความหิวคือสังสารวัตกระทบเอาเอาแล้วย่อมปรารถนาโพชนะคือกายคตาสติอันมีอมะตะรสฉะนั้นเหมือนกันอันการพี่คือมันหิวจริงๆนะหิวในร่างกายเนี่ยนะหิวในผมขนเล็บฟันหนังเองมันหิวกระหายอยู่นั่นแหละแต่เมื่อพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยความเป็นของปฏิกูลก็เริ่มเริ่มอิ่มขึ้นแต่ถ้าตามงามอย่างเดียวงามอย่างเดียวเนี่ยนะ กระหายอย่างนี้จนตายแต่ถ้าตามพิจารณาโดยปฏิกูลเป็นต้นก็จะอิ่มเนี่ยนะอิ่มอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษกระหายแล้วมีคอปากแห้งผากย่อมปรารถนาเครื่องเดิมอันมีเครื่องปรุงหลายอย่างชันใดพระโยคาวจรนี้ถูกความกระหายคือสังสารวัตกระทบเอาแล้วย่อมปรารถนาเครื่องดืม่มคือพระอริยมรรคอันมีองค์แปดชันนั้นเหมือนกัน น้ำดื่มที่สงบระงับดับวะตะได้อย่างแท้จริงก็คือน้ำดื่มที่ประกอบไปด้วยองแปดเนี่ยนะคือสัมมาทิฐิเป็นต้นเหมือนอย่างบุรุษผู้ถูกสัมผัสความเย็นเนี่ยนะถูกความเย็นสัมผัสอะไรตอนหิมะตกเต็มที่เลยใช่ไหมตัวเปล่าเนี่ยจะว่างไงย่อมปราถนาความร้อนความอบอุ่นฉันใดพระโยคาวะจร น, นี้ถูกความเย็นคือตันหาความเยื่อใยในสังสารวัตรสัมผัสเอาแล้ว ก็ย่อมปราถนาไฟคืออริยมรรคที่จะแผดเผากิเลสฉะนั้นเหมือนกันเย็นอย่าเยือกเลยนะความเย็นในวัฏ ต, ตะเนี่มันน่ากลัวมากนะก็ต้องการอริยมรรคที่มันอบอุ่นพอที่จะบำบัดความเยือกเย็นอยู่ในสังสารวัฏออกไปได้อันหนึ่งบุรุษผู้ถูกความร้อนสัมผัสเอาแล้วย่อมปราถนาความเย็นฉันใดพระโยคาวจรนี้ถูกความร้อนแห่งไฟสิบอกองในสังสารวัฏ เผาเอาแล้วไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชารามรณโะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตเนี่ยเผาเอาแล้วก็ปรารถนาพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบไฟสิบอ็กองได้ฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งเหมือนอย่างบุรุษผู้ถูกความมืดครอบงำแล้วย่อมปรารถนาแสงสว่างฉันใดพระโยคาวจรนี้ถูกความมืดเคลื่อวิชาปกคลุมหุ้มห่อแล้วก็ย่อมปรารถนามรรคภาวนา อันมีแสงสว่างคือยานฉะ น, นั้นเหมือนกันเนีย่ยนะปรารถนาที่จะดับอวิชชาความมืดความบอดความเคลาวความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็เลย ส, สนใจที่อริยมรรคยานที่เป็นวิชาที่เป็นแสงสว่างทำให้ระงับดับความมืดในวัตะไปได้อันหนึ่งเหมือนอย่างบุรุษผู้ถูกยาพิษเข้าแล้วย่อมปรารถนายากำจัดพิษฉันใด นะเคยเคยกินอาหารที่เป็นอาหารเป็นพิษบ้างไหมนนะเป็นพิษจนกวนกระวายเดือดร้อนอึดอั ด, อดเป็นไปหมดก็ต้องการยาระงับพิษฉันใดพระโยคาวจรนี้ถูกพิษคือกิเลสเข้าแล้วก็ย่อมปราถนาพระนิพพานอันเป็นอมตะโอสถย่อมยีพิษคือกิเลสได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเมื่อพระโยคาวจรนั้นรู้อยู่อย่างนี้แล้วเห็นอยู่อย่างนี้แล้วจิตย่อมถอย ย่อมงอย่อมม้วนกลับไม่เหยียดไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทีติเจสัตตาวาดเก้าอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งมั่นจะเห็นว่าวตัตตาในภูมิสามนีกลายเป็นของปฏิกูลทันทีอยู่ไม่ได้ละเปรียบเหมือนว่าหยาดน้ำบนใบบัวที่เอียงอยู่หน่อยหนึ่งดังนี้เป็นต้นถ้อยคำทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่กล่าวกล่าวไปเนี่ย เป็นลักษณะของผู้ที่เจริญโภชฌงนะนะเจริญโพชงที่ที่คุ้นเคยอยู่แล้วที่ว่าอะไรนะเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสลักนะ เจริญวิรยิยะปีติปัสสธิสมาธิอุเบขาสัมโพชฌงค์อนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละน้อมไปเพื่อเพื่อจะจากสังสารทุกจริงจริงที่ท่านบอกว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่ารู้อยู่อย่างนี้นะจิตย่อมถดถอยย่อมงอย่อมม้วนกลับไม่เหยียดไปในภพสามอันนี้เมื่อหน่าเท่าไหร่ นะท่านท่านท่านทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะท่านท่านบอกไว้เป็นเตือนไว้ครั้งหนึ่งแล้วดึงข้อความนี้มาจากหน้าไหนหน้า254เนี่ยนะท่านสรุปให้ฟังว่าเนื้อความที่อธิบายนั้นก็กไปบทสรุปของหน้า254ไปจบลงนะหน้า288ว่าผู้ปฏิบัติจนถึงยานระดับสูงนะนะั้น่ะไม่ทะเยอทยานในภพเลยแม้แต่นิดเดียว งอกลับน่นะจิตเยียดเข้าไปในสวรรค์จิตยังถอยกลับมาเลยนะจะ ก, กล่าวไปยายถึงอบายหรือเป็นมนุษย์เล่าก็แลด้วยปฏิปทาเพียงเท่านี้พระโยคาวจร น, นี้ชื่อว่าเป็นปฏิลีนจระประพฤติหลีกเรนซึ่งพระผู้มีเดรัจฉานไม่อยากปรากฏตัวในเปรตอสุรกายไม่พอปรากฏตัวในคันของผู้ใดอีกต่อไป ไม่เสนอตัวไปขอเป็นลูกใครอีกแล้วนั้นผู้ประพฤติหลีกเล่นเสพแต่เสนาสนะที่สงัดว่าเป็นความดําเนินหรือเป็นปฏิปตาที่ชอบนะถูกต้องเลยนะไม่อยากแสดงตัวในภพเลยไม่อยากโชว์ตัวในภพใดภพหนึ่งเลยนะใครอยากไม่ขอเสนอตัวปรากฏตัวในนรกใช่ไหมฟังอย่างี้บอกโอ้ใช่ใช่ไม่อยากปรากฏตัวเลยนะไม่อยากปรากฏตัวใน เดรฉานไม่อยากปรากฏตัวในเปรตอสุรกายไม่พอปรากฏตัวในครันของผู้ใดอีกต่อไปไม่เสนอตัวไปขอเป็นลูกใครอีกแล้วเนี่ยนะไม่เสนอตัวที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือที่ใดก็ตามเนี่ยนะเพระองค์นีชื่นชมมากผู้ภิกษุหรือผู้ที่ปฏิบัติโดยไม่ยอมเสนอตัวในวัตตะเนี่ยนะถ้าเสนอตัวไปที่ไหนแนละ้วทุกทั้งหลายก็จะตามมาโดยเฉพาะอย่างในมนุษย์ทั้งหลายที่เราเห็นเนกันอยู่เนี่ยนะ เสนอตัวไปอยู่ตรงไหนที่มันเย็นจริงๆบ้างัก็ไม่มีที่ใดที่มันจะสงบเยือกเย็นจริงๆพอที่เราจะไปอยู่หลีกอยู่เร้นพอที่จะไปซ่อนตัวอยู่ได้จริงๆอ่ะนะสังขารุปเปกขาญาณ น, นี้กำหนดแน่นอนซึ่งความเป็นปฏิลีนจระ ประเพทหเลีกเร้นเนี่ยนะประเพิเลีกเร้นแปลง่ายๆว่าไม่ขอเสนอตัวไปในงานทุกงานงนนแลักษณะนั้นแห่งพระโยคีอ ย, ย่างนี้แล้วยังกำหนดแน่นอนซึ่งความต่างการแห่งโพชงตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่าระดมระดมคุณธรรมที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ระดมโพชงองค์มักองค์ฌานปฏิปทาวิโมกแห่งพระอริยมรรณะ รวบรวมคุณธรรมทั้งมวลที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ตรงเนี้ยมุ่งที่ประชุมอินทรีย์พระพุทธชงองค์มัชประชุมโพธิปัจขยธรรมเพื่อให้เกิดการตรัสรู้แต่การตรัสรู้นี้จริงๆแล้วโพชทธชงก็ยังต่างกันนะมัช ก, ก็ต่างกันองค์ฌานเป็นต้นก็มีความแตกต่างกันที่นี้เขาบอกว่าความแตกต่างแห่งมัชของพระอริยเจ้าแต่ละท่านเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องกําหนดว่ามีความแตกต่างกัน พระเถระทั้งหลายท่านก็มีวิจารณญาณที่แตกต่างกันบางท่านบอกว่าฌานที่เป็นบาทย่อมกำหนดแน่นอนซึ่งความต่างกันแห่งโพชฌงองค์มรคและองฌานอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองบอกว่าอารมณ์อารมณ์อมของวิปัสนาเนี่ยเป็นตัวกำหนดอ น, นะประเภทที่สามท่านบอกว่าอัธยาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดข้อเรกนะบาทบาทของการเจริญสมถาวิปัสนาเป็นตัวกาหนด กลุ่มที่สองบอกว่าอารมณ์เป็นตัวกําหนดอย่างที่สบอกอัธยาศัยสิความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้สิเป็นตัวกําหนดทีนี้ในวาทะคือความเห็นของท่านทั้งหลายแม้เหล่านั้นบัณฑิตเพิ่งทราบว่าวุฒานะคามินีอันเป็นส่วนเบื้องต้นย่อมกําหนดแน่นอนเหมือนกันตัวที่กําหนดจริงๆเนี่ยคือตัววิปัสนาที่อยู่ใกล้อริยมรรตอ่ะตัวนั้นอ่ะเป็นตัวกําหนดแน่นอนอันนี้แน่นอนมากเลยว่า วิปัสนาที่นั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าอริยมรรคจริงๆเนี่ยจะเป็นอะไรนี้มาดูวินิจฉัยของพระเถระแต่ละรูปบอกว่าต่อไปนี้เป็นอนุปุพพิกถาการกล่าวโดยลำดับในการกำหนดแน่นอนถึงความต่างการแห่งโพชนเป็นต้นเหล่านั้นจริงอยู่ตามข้อกำหนดแน่นอนแห่งวิปัสนามรรคที่เกิดขึ้นแก่พระโยคีผู้เป็นสุขาวิปส ก, ก็ดี มักที่ไม่ได้กระทำฌานให้เป็นบาทเกิดขึ้นแก่พระโยคีผู้ได้สมาบัตรก็ดีมักที่พระโยคีกระทำปฐมฌานให้เป็นบาทพิจารณาปะกินนกะสังขารให้เกิดขึ้นก็ดีย่อมเป็นปฐมฌานิกะคือมีปฐมฌานหรือเป็นไปกับปฐมฌานอย่างเดียวในมักทั้งหมดนั้นต้องมีพ่ชงครบทั้ง7องค์มักต้อง8ดองแล้วก็องฌานทั้ง ห้าคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจึงอยู่วิปัสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแม้แห่งมรรคนั้นเป็นธรรมชาติที่สหรคด้วยโสมนัสบ้างเป็นธรรมชาติที่สหรคด้วยอุเบขาบ้างในเวลาออกถึงความเป็นสังขารุปเกปขาญาณแล้วย่อมเป็นธรรมชาติที่เป็นสหรคด้วยโสมนัสเท่านั้นในมรรคที่พระโยคีกระทาฌานที่สองที่สที่4ให้ในปัญจกะในให้เป็นบาท แล้วให้เกิดขึ้นย่อมมีฌานอันมีองค์สี่องค์สามและองค์สองตามลำดับนั่นเทียวแต่ว่าในทุกมัคย่อมมีมัคมีองค์7ส่วนในมัคที่สี่คือในมัคที่มีองค์ฌานที่สีเนี่ยนะก็มีโพชฌงอยู่6ข้อความแตกต่างกันข้อนี้ย่อมมีตามกำหนดแน่นอนแห่งองค์ฌานที่เป็นบาทและตามข้อกำหนดแน่นอนแห่งวิปัสนา ก็วิปัสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคนั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยโสมนัสบ้างเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้างวุทฒานคามินีวิปัสนาเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยโสมนัสอย่างเดียวแต่ในขณะมรรที่พโยคีทําปัญจกะฌานให้เป็นบาตให้บังเกิดแล้วมีองค์ฌานสองคืออุเบกขาและเอกขตาแห่งจิตมีโพชฌงหก แล้วก็มีองค์มัจเจความแตกต่างกันแม้นี้ย่อมมีด้วยอำนาจข้อกําหนดแน่นอนทั้งสองทางก็ในยะนี้วิปัสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นย่อมเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยโสมนัสบ้างเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยอุเบขาบ้างวุฒานคามินีวิปัสนาเป็นธรรมชาติที่สหรคตด้วยอุเบขาอย่างเดียวแม้ในมัจที่พระโยคีกระทําอรูปฌานให้เป็นบาศแล้วให้เกิดขึ้นก็มีในยะนี้นั่นแหละ สมาบัทที่พระโยคียออกในที่ใกล้แห่งมัก